ขอความจเจริญในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสุภาสูตรซึ่งเป็นการตอบคำถามของพระอน์เทระต่อสุภาพมานบสุภาพมานบนั้นเป็ น, ปนบุตรของโทเตยพราหมณ์ซึ่งเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่ แต่การตอบของพระนรนก็คือก๊อปปี้มาจากพระพุทธปฏิบัตของพระพุทธเจ้าแต่ในแง่ของความเป็นจริงก็คือพระพุทธภาษิตกล่าวไว้ในตอนก็เรียกมันเล่าว่าแล้วกันเล่าไว้ในตอนคือหลังจากอุปมาณิวรนได้เห็นว่า จตที่ปราศจากนิวรณ์เหมือนกับการปราศจากหนี้การหายป่วยการพ้นจากความเป็นทาตการออกจากคุกและการพ้นจากทางธุรกันดานมาตามลําดับแล้วก็กล่าวว่าภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์หประการเหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนหนี้เหมือนโรคเหมือนเรือนจํา เหมือนความเป็นธาตุเหมือนทางไกลกันดานแต่เธอเินจานาณเหตในวรรห้าทีละได้แล้วในตน้นเหมือนความไม่เป็นหนี้เหมือนความไม่มีโรคเหมือนการพ้นจากเรือนจำเหมือนความเป็นไทยแก่ตนเองเือนสถานที่ปลอดภัยทีนี้ในชั้นต่อไปเนี่ยเพราะว่าเรื่องผลจากการปฏิบัติฌาน ที่จริงก็ตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาไปนั่นแหละมันเป็นสัมผัสตรงส่วนตัวของบุคคลผู้ปฏิบัติเพราะถึงจุดหนึ่งไม่ใช่เป็นภาษาที่อธิบายได้แต่เป็นภาษาสัมผัสทางใจแล้วก็ใจก็รู้ได้ใจว่าสภาพที่ปรากฏขึ้นนั้นมีลักษณะอย่างไร เพื่อนการที่พระพุทธเจ้าแสดงก็ดีพระนุนนมาแสดงก็ดีนั่นเป็นสิ่งสัมผัสตรงของท่านซึ่งก็หมายความว่าเวลาเราปฏิบัติเราก็ดูสัมผัสของเรามันสอดคล้องกับที่ส่งแสดงไว้หรือไม่ถ้ายัางไม่สอดคล้องก็ต้องพยายามต่อไปหมายความวาธรรมะในเชิงผลเนี่ยมันต้องเหมือนกัน ในเชิงเหตอาจจะแตกต่างกันเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นปริยายแห่งธรรมะแสดงโดยในยะหนึ่งในยะาหนึ่งคล้ายๆกับถนนหลายสิบสายที่เข้าหาเข้าสู่ส่วนกลางของกรุงเทพฯได้ด้วยกันในตอนแรกถนนที่เรามานั้นอาจจะแตกต่างกัน แต่ในที่สุดจะค่อยๆกลายกันแล้วก็รวมอยู่ในจุดเดียวกันได้ถ้าไม่รวมอยู่ในจุดเดียวกันก็ถือว่าไม่ถูกต้องผลผลจะธรรมะปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นก็กล่าวว่าภิกษุพิจณาเห็นนิวรณ์ห้าเหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วยอ่มวยอมเกิดปีติ เมื่อมีปีติแล้วกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้สวยสุขจิตของผู้มีความสุขย่อมตั้งมัน่นเธอสงัดจากกามสงัดจากอากุศลและธรรมบรรลุปฐมวชาญมีวิตกวิจารมีปีติแล้วก็สุขเกิดแต่วิเวกเธอทำกายนี้แหละให้สดชื่น เออบีทราบสั้นโดยปีติและสุขกันเกิดแต่วิเวกไม่มีส่วนไหนๆแะไม่มีส่วนไหนๆแห่งร่างกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขกันเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องหมายความว่าใครก็ตามถ้าปฏิบัติจนบรรลุปฐมฌานก็จะประสบคุณลักษณะเหล่านี้แล้วปรากฏทั้งทางกายและก็ทางจิต ที่เห็นได้ชัดก็คือพวกปีติกับพวกสุขนอกนั้นก็ชั่วพวกปราโมทพวกความสงบพวกความยึกเย็นต่างๆที่ปรากฏชัดเจนที่จิตแต่เราไม่เห็นก็แสดงว่าต้องพยายามต่อไปจนกว่าจะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นพระอระหันต์ท่านเห็น ตอนต่อมาที่พระานุแสดงมันก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงทุกคำเพราะว่าแสดงจากสัมผัสตรงพระานุนั้นในตอนแรกก็อาจจะฟังจากพระพุทธเจ้ามาเพราะก่อนตอนที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงพระสูตรเหล่านี้พระานุนก็นั่งฟังอยู่ด้วยแต่ต่อมาท่านบรรลุอรหัตเป็นพระหัน ถ้ากำลสัมผัสผลเหล่านั้นเช่นเดียวคือสอดรับกับถ้อยคําต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพอท่านแสดงมันก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพอใครปฏิบัติก็เหมือนกับที่ท่านเหล่าอื่นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นมาปฏิบัติทการสืบต่อของพระพุทธศาสนาโดยโครงสร้างปริยัตปฏิบัติปฏิเวทมันก็มีลักษณะอย่างนี้ นี่ก็เป็นการพูดถึงสภาวะทางจิตในขณะเดียวกันก็ไปเทียบเคียงไปะที่เคียงสมมติว่าเป็นรูปธรรมซึ่งแน่นอนว่าคนร่วไปสัมผัสได้สมัยโบราณแน่นอนเราก็ไม่มีแอร์คอนดิชันไม่ได้มีห้องอาบน้ำอะไ ร, ต, ไรต่างๆเราไม่มีขนาดนั้นผนการอุปมาอุปไ ม, ปมทเทียบเคียงก็ อาศัยอยสิ่งที่ใกล้ตัวในสมัยนั้นกล่าวว่าลูกกอนมานบเหมือนเจ้าหน้าที่สงสนานรลูกน้องของเจ้าหน้าที่สงสนารนผู้ฉลาดจะพึงโรยผงที่ใช้ในการสงสนารนใส่ลงไปในภาชนะสำริดแล้วน้ำพรมหมักไว้ ตกเย็นก้อนจุนที่ใช้ในการสงสนานยางจะซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมดโย่ไม่ไหลออกไปฉันใดดูก่อนมนุษปิสุกก็ฉันนั้นแหละทำกายนี้แหละให้สดชื่นเออบิ่มทราบสั้นด้วยปีติและสุขกันเกิดแต่วิเวก ไม่มีส่วนไหนไม่มีส่วนไหนๆแห่งร่างกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีเตกได้สุกันเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องข้อนี้เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่งคือพูดระดับปฐมฌานมันก็เปรียบเหมือนกับพูดง่ายๆแต่ที่จริงก็อาบน้ำก็มีการสาเสียมไว้ก่อนที่จะอาบ แต่ในโบราณเขามีสิ่งอย่างหนึ่งที่เรียกว่าจุลก็เป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันลหละแต่สรุปว่าก็มีวิธีการที่ไม่ใช่ธรรมดาหรอกเพราะจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏมันได้บ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับคนสมัยนั้นว่าไม่ใช่ธรรมดาปรลองอ่านหนังสือเช่น พวกชาดกนี่ก็ถือว่านานที่สุดนะชาดกเนี่ยโบราณย้อนหลังไปกี่พันกี่หมื่นปีเราก็ไม่รู้แต่ว่าเครื่องใช้ไม้สอยนี่มันแสดงถึงความทันสมัยปราศาสตรราชวังที่อยู่อาศัยของชาวบ้านถนนทน้นทางเสียงดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่า โลกได้ผ่านความเจริญแห่งยุคสมัยมานานนานเท่าไรเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้ามันไม่มีนี่มันเอามาเขียนบรรยายได้ยังไงการเขียนเรื่องอะไรมันก็สะท้อนจากสิ่งสัมผัสของผู้เขียนมาก่อนว่นนานรราวต่างๆที่ต้งเขียนเอาไว้แล้วก็บ่งบอกว่าเป็นการรายงาน สถานการณ์ในยุคในสมัยสรงนั้นทีนี้จากนั้นก็พูดถึงทุติยฌานพร้อมด้วยอุปมาเทียบเคียงอีกนั่นแหละภิกษุบรรลุทุติยฌานมีจิตผ่องใสในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นพระวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิ เธอตำกายสุดชื่นเอิบอิ่มทราบสั้นโดยปีติแต่สุขกันเกิดแต่สมาธิไม่มีส่วนไหนๆของร่างกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติสุขกันเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องคือระดับของทุติยชาญเนี่ยวิตกวิญาาณ์มันสมบไป อาการที่เด่นเป็นฌานชั้นที่เขาเรียกว่าเป็นฌานที่ซาบซึ้งท่นานใหวานใจยิ่งนักคือไม่รู้จะแปลว่ายังไงเหมือนกันมันซาบซึ้งมันดื่มดำ่ำมันปรากฏชัดเจนมากทั้งปีติทั้งสุขทั้งสมาธิเนี่ยมันปรากฏชัดเจนมากต่นเล่า ว, ว่าพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระพุทธเจ้ามานี่ยนะ คือเวลาต้องการพักผ่อนก็เข้าสมาธิระดับเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมสุกวิหารคืออยู่เป็นสุขภายในสมาธิคือทุติยฌานมันเสบยหมดทั้งปีติทั้งสุขทั้งสมาธิเป็นสัมผัสที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งกายและทั้งจิตเป็นการเสริมพลังให้แก่กายและก็จิตของผู้ที่ปฏิบัติถึง มันมันมันมันก็เป็นมาตรวัดจิตใจของเราเวลาเราปฏิบัติแต่เราเหนาการเหล่านี้เด่นชัดมากมีปีตุกมีปีติมีสุขมีสมาชิเกิดปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตก็แสดงว่าเราก็เข้าถึงทุติยชาติเริ่นี้แน่นอนเอามาพูดออกโทรัสเอาวิทยุนี่มันที่จริงมันค่อนข้างยาก เพราะว่าเป็นเรื่องจะต้องอธิบายกันในห้องสมาธิคือห้องปฏิบัติสมาธิรู้เรียนกันในชั้นเรียนก็มีกระดานมีกระดานชนวนขีดเขียนเชื่อมโยงอะไรแต่อะไรต่างๆให้เห็นแต่วิธีเหล่านั้นก็เป็นวิธีทางปริยัตินนะฮะบอก็จริงต่างคนต่างก็แยกย้ายไปปฏิบัติ สัมผัสได้ลึกซึ้งขนาดไหนก็ไม่รู้แหละก็แล้วแต่แล้วแต่ใครมีวาสนามบารมีมาเป็นอย่างไรทีนี้ท่านก็อุปมาให้เห็นที่เป็นรูปธรรมว่าเหมือนกับห้วงน้ำลึกมีน้ำพุขึ้นไม่มีทางที่น้ำจะไหลได้ทั้งในทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือทั้งฝนก็ไม่ตกเต็มตามฤดูกาล แต่สายน้ำมันพูดขึ้นจากห่วงน้ำจะมึงทานในห่วงน้ำน้ำนั้นแหละชุ่มชื่นเ อ, อิบอิ่มทราบสั้นด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนไม่มีส่วนไหนๆของน้ำนั้นทั้งหมดที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องลูงกศรมนุษย์วิกษูก็ฉันนั้นแหละเพราะวิตกวิจารสงบไปก็เรียกว่าได้บรรลุทุติยชาน เธอสดชื่นเ อ, อิบอิ่มทราบสั้นโดยปีติและสุขกันเกิดแต่สมาธิไม่มีส่วนไหนๆแห่งร่างกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขกันเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องกรณี้เป็นก็เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่งทีนี้พอประการที่สาม คือในประการที่สองนี่มันมีปีติสุขกับเอกกตตาพอมาถึงที่สามเนี่ยปีติมันสงบยังเหลือแต่สุขกับเอกกตาแล้วพอถึงที่สี่เนี่ยแม้แต่สุขก็สงบถุกมันลุเป็นกฏยังเหลืออเบขากับเอกกตตาคือหมายความว่าแม้แต่สิ่งดีก็สงบไป เพราะว่าสิ่งดีเหล่านี้มันก่อให้เกิดฉันทะคือความพอใจความเบิ่อปิมความพอใจปรการที่เราจะสยบติดเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายเพราะถ้ากจยกจิตหนีขึ้นไปเรื่อยๆและในายตติยชานนั่นเองท่านก็กล่าวที่แน่เห็นว่ามันเหมือนกอบวกขา่ากอบัวทั้งหลายก็แล้วกัน เกิดในน้ำแต่เรินในน้ํายังไม่พ้นน้ําจมอยู่ในน้ําน้ำนํำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นสดชื่นเอิบอาบซึมซาบด้วยน้ําเย็นตลอดยอดตลอดง้าวไม่มีส่ว น, นไหนของบัวบัวทั้งหลายเหล่านั้นทุกส่วนที่น้ําเย็นจะไม่ถูกต้องชนใดบุคคลที่ปฏิบัติเข้าถึงตติยฌานอยู่ ยอมทำจิตได้สดชื่นเอื้อปิมทราบสัน้นโดยสุขปราศจากปีติไม่มีส่วนในไหนแห่งกายของเธอตัวทั้งตัวที่สุขปราศจากปีติจะไม่ถูกต้องคนนี้ก็เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่งทีนี้ในกรณีนี้มีพึงข้อที่สังเกตอย่างหนึ่งว่าในวงวิชาการในเรา มักจะตกเฉียงกันเรื่องบัวสีเหล่าหรือสามเหล่านักวิชาการที่เรียนมามากๆแต่ก็ไม่กว้างก็มักจะยืนยันถึงสามเหล่าเดี๋ยวคนทั่วไปที่อ่านพุทธประวัติหรืออ่านหนังสือเรียนในสมัยเราเรียนเป็นเด็กๆเนี่ยเราก็อ่านว่าสี่เหล่าจำควาลองสังเกตว่าดอกบัวในที่นี้ ก็บอกว่าบางเหล่าเกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำเหล่าหนึ่งก็จมอยู่ในน้ำน้ำหล่าเลี้ยงไว้ดกบัร่างก็สดชื่นคือเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าในปิวินัยบิดกตอนพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาถึงธรรมากษัตริย์ทุงเทียบดยดอกบัวสามเหล่า แต่ในขณะเดียวกันในสังยุตตนิกายที่เกี่ยวกับเรื่องมาและสังยุตทรงสแสดงไว้สีเหล่าโดยเพิ่มดอกบัวที่จะเป็นพักษาของปลาและเต่าลงไปพอสแสดงเรื่องบุคคลสี่ก็ส่งสแสดงไว้สี่วันโดยทั่วไปเนี่ย กระยลือมื่อตอนที่ทรงพิจารณานั้นทรงพิจารณาถึงผู้ที่สามารถจะเข้าใจธรรมะที่โปร่งสัตย์รู้ได้ก็มีอยู่แล้วก็สามเหล่าแต่คนในโลกมันมีสี่เหล่าเพราะไม่ครจะว่าสามเหล่าก็ต้องรู้ว่านั้นหมายถึงอะไรสเหล่านั้นหมายถึงอะไรคือบางทีเราอาจจะพูดเหล่าเดียวก็ได้ สำหรับกลุ่มคนบางพวกที่เขามีวาสนาบารมีแก่กล้ามากพอเราก็พูดแต่กลุ่มเดียวหรือพูดสองกลุ่มก็แลแ้วแต่มันไม่จําเป็นจะต้องเอามาพูดหมดแต่ดอกบัวโดยธรรมชาติเราก็ต้องดูมันว่ามันอยู่ในช่วงที่แตกต่างกันอยู่ใต้โคลนต้มยังมีเลยถ้าใต้โคลนต้มไม่มีมันโผล่ขึ้นมาจากโคลนต้มไม่ได้เรา เตียงแต่ว่าจะหยิบส่วนไหนขึ้นมาพูดเพราะใต้โคนโต ม, มันยังสัมผัสไม่ได้และอย่งน้อยมันต้องโผล่ขึ้นมาก่อนโผล่ขึ้นมาก็โผล่ขึ้นไปตามลำดับจนพ้นจากน้ารอแสงพระอาทิตย์พอพระอาทิตย์ส่องมาถึงก็เริ่มจะบานออกไปจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้น การังว่าอุปมาดอกบัวเหล่าเนี้ยบัวขาวบัวขาวบัวหลวงอะไรตัวไหเนี่ยเป็นดอกบัวในสระบกณีของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้สัตว ร, รู้เหมือนกันทุกดอกเลยนะฮะบัวขาบัวหลวงบัวขา ว, ว, ว, ว, ขาวดอกบัวสามชนิดได้ออกปลูกในสระของพระโพธิสัตว์ฝนพระองค์ก็พิจารณามาตั้งแต่ต้น แต่แต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วทาให้เราได้ยินบ่อยๆเรื่องอุ ป, ปมาด้วยดอกบัวพระสงฆ์ร้องแกล้วจำนิจจำนานแล้วในเรื่อ ง, งนั้นในข้อต่อไปนั้นก็เป็นเจตุทิศา ร, รับสั่งว่า ภิกษุบรรลุเจตุจฉานอยู่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขบริสุทธิ์ด้วยกุเบขาและสติเพราะจะสุขเพราะเพราะละสุขเพราะละทุกข์ดับโสมนัสคือความเออบีมใจโทมนัสคือความไม่สบายใจความครุ่มใจหรือไม่พอใจเติมมีใจบริสุทธิ์ปุดพองนั่งแผ่ไปทั่วกายนี่แหละ ไม่มีส่วนไหน ไ, หนไม่มีส่วน ไ, นไหนของร่างกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจบริสุทธิ์ผุดพ่องไม่ถูกต้องทีนี้จากนั้นพระเทราก็ได้แสดงให้ทราบว่าทุกคนมนพเหมือนบุรุษนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาวไม่มีส่วนไหนของของกายทุกๆส่วนของเขาที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องเช่นใด ผู้ปฏิบัติธรรมะก็ฉันนั้นเนะ่ยเธอเข้าถึงจตุตยฌานอยู่นี่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วนั่งแผ่ไปทั่วกายดังนี้ไม่มีส่วนไหนๆแห่งร่างกายของเธอตัวทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องตอนนี้ก็เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่งนี่ก็คือสมาธิขันนันประเสริฐ ไปเทรากนั่นแสดงว่าดูก่อนมานบสมาธิขันนันประเสรฐนี้แหละพระผู้มีพระพเจ้าได้จัดสรรเสริญอย่างชุมชนให้ยึดปั้นให้ตั้งอยู่ให้ดำรงอยู่อันเดิงในทำใ น, ใ น, นินนี้ยังมีกิจที่จะต้องทำห้ยิ่งขึ้นไปอีกมาสีแล้วมาสมาธิแล้วก็ยังมีเรื่องที่ยิ่งไปกว่า พโนก็กราบเรียนว่ากระแต่พระนุนผู้เจริญหน้าสัจจัักหน้าพิสูจน์นักสมาธิอันประเสริฐนี้บริบูรณ์แล้วไม่ใช่ไม่บริบูรณ์กระผมยังไม่เห็นสมาธิขันนั้นประเสริฐของท่านพระนุนที่บริบูรณ์แล้วอย่างนี้ในสมณพรามหมณ์เราอื่นภายนอกพระศาสนานี้เลยกระแต่พระนุนผู้เจริญก็สมณพรามหมณ์เราอื่นภายนอกพระศาสนานี้ พึงเห็นสมาที่ขานันประเสริฐที่บริบูรณ์แล้วอย่างนี้ในตนเขาเหล่านั้นจะพึงดีใจเพราะเหตุเพียงเท่านี้โดยคิดว่าเป็นอันพอแล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นอันทำสำเร็จแล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้เรียวเถงความเป็นสมณะเราได้บรรลุแล้วไม่มีกิจที่ต้องทำให้ยิ่งไปกว่าอีกแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญยังกล่าวว่า ในธรรมใ น, นนี้ยังมีกิจที่จะต้องทำม้ยิ่งขึ้นไปกว่าอิทสุภามาณโกราเรียนว่าก็าแต่พระนุนผู้เจริญปัญญาขั น, นันประเสริฐที่ประโคดมผู้เจริญได้ตัดสังเสริญและยังทำจุงมชนนี้ให้ยึดมั่นให้ตั้งอยู่ให้ดำรงอยู่นั้นเป็นอย่างไรทีนี้ประเด็นที่น่าน่าสนใจนะคือว่า สุภามานพนั้นอย่างที่บอกว่าเป็นบุตรโทตยพรา์ทีนี้พวกพราหมณ์เนี่ยมีหน้าที่ในการศึกษาลัทธิคำพีพระเวทอิติหาสะคำพีนิคันดุอะไรต่ออะไรต่างๆในแวดวงในกรอบของพวกพราหมณ์ที่จะต้องศึกษานั่นแหละประการที่ท่านไปยืนยันว่า สมาธิขันนั้นประเสริฐที่จริงตั้งแต่ศีลขันนั้นประเสริฐมาแล้วนะท่านท่านบอกว่ามันไม่มีในสมณพราหมณ์หรืออื่นตั้งแต่ศีละขันมาแล้วพอมาถึงสมาธิขันยิ่งแล้วใหญ่เลยสมาธิขันนั้นประเสริฐยิ่งแล้วใหญ่เลยบอกท่านก็ไม่เคยเห็นว่ามันมีในลัทธิศาสนาอื่นมันมองเห็นยุคสมัยที่คนใส่ใจในการศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางจิตคือเรื่องที่เกีย่ยวกับจิตใจศึกษากันมากก็แน่นอนแหละก็แกว่งไปเป็นวัตถุนิยมเป็นจิตนิยมแต่ก็สรุปว่ามีการศึกษาปัญหาเรื่องธรรมะกันมากขณะราชกุมารอย่างพระเจ้าอาชาสิตรูก่อนจะเป็นกษัตริย์หรือแม้แต่หลังจากได้เป็นกษัตริย์แล้ว ก็ทงศึกษาในลัทธิของขณาจารย์เจา้าลัทธิทั้งหกก็เรียกว่าครูทั้งหกสามารถสรุปประเด็นลัทธิต่างๆถาวายพระพุทธเจ้าได้เพื่อการที่เราไปยืนยันอะไรหรือปฏิเสธอะไรแต่เรายังสัมผัสไม่ชัดยังเข้าใจไม่ชัดเรายืนยันก็ไม่ได้เราปฏิเสธก็ไม่ได้ แต่ถ้าเราสัมผัสบางส่วนเราก็ยืนยันบางส่วนได้แต่บางส่วนที่เราไม่สัมผัสเราก็ยืนยันไม่ได้นี่คือหลักการอย่างหนึ่งว่าการรับผิดชอบในการพูดออกไปเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราไม่สัมผัสตรงและเราพูดออกไป จย่งยกตัวอย่างว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือมันกลายเป็นเรื่องน่าดำขาญตีจริงยังไนกันดีที่เขาอาพิปลายในรัฐสภาเนี่ยก็ถือรัฐภานีก็มีปัญญาชนอยู่เยอะแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งเวลาพูดเนี่ยมันมันขาดความรับผิดชอบต่อข้อมูลข่าวสาร หมายความข้อมูลข่าวสารมันมีสักอีพารเซนหนึ่งแต่พูดตั้ง 75% ็ดสิห้าเอร์เซนหรือพูดตั้งร0อทางทา้งที่ตนเองไม่รู้ว่าตัวเองพูดเรื่องอะไรมันทำให้ร้ายมนขลังร้ายบนขลังที่เราจะฟังการอภิปรายมาเองนั้นนานครับคือเวลานี้เวลาดูข่าวอะไรเนี่ยเราก็อาจจะ เอฟังบ้างแต่ว่าก้านาทีสิบนาทีอะไรแต่แถวเนี้ยนะก็ไม่ฟังนานหรอกเคยฟังติดตามฟังมาแล้วก็สังเกตวิเคราะห์บลักษณะอย่างนี้มันมีต่อนเนื่องยาวนานเลวเกิดเดีย๋ยวคนหนักสำนึกสำเหนียกไม่ค่อยได้ที่เลิกเลิกฟังการอภิปรายในรัฐสภาในตั้งแต่สมัย คุณบรรหารศิละปะอาชาเป็นนายกมีการในปลายไม่ไว้วางใจเรื่องชาติกำเนิดของคุณบรรหารเนี่ยคืเราฟังแล้วมันมันแรงเกินไปมันรุนแรงมันก้าวร้าวมันบิดเบือนมันมุ่งพิฆาตเก่นฆ่าอาสานกันแลวจากวันนั้นมาก็ก็ไม่ได้ฟังที่ตั้งใจฟังเป็นชั่วโมงนี่ไม่มี อย่างมากก็สิบห้านาทีนะฮะมากมากเนี่ยเกิดสิบห้านาทีนี่ก็ค่อนข้างมากอเพราะอะไรเพราะข้อมูลนั้นเราไม่สัมผัสจริงแต่ก็ใช้เลขกันที่ในการพูดออกไปเราไม่เจอตงใครหรอกก็หมายความว่าสังคมมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดูเราูพูดโูโลบหลูงนี่เยอะ พูดด้วยโกรธด้วยอาฆาตพยาบามบะด้วยริษยาด้วยบิดเบีย้ยนเนี่มันเยอะแต่ว่าการสะท้อนของพระอนุนเถระหรือว่าการสะท้อนก็สุภาพมานุกเราเห็นว่าท่านพูดจริงตามสัมผัสของท่านสัมผัสมาอย่างนั้นจริงๆว่าสีละขันนั้นประเสริฐก็ดีสมาธิขันนั้นประเสริฐก็ดีที่พระอนุนแสดงมาทั้งหมดเนี่ย ท่านไม่เคยพบว่ามีอยู่ในสนัมพราหมณ์ในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นแต่กลับมีในศาสนานี้ท่านนึกว่าสมาธิขันนั้นสุดยอดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรทัดเทียมแล้วเทพราโนนกลับแสดงว่ายังมีกิจที่จะต้องทํำมายิ่งขึ้นไปอยู่อีกโดยท่านก็ตื่นเต้น แล้วก็กระเพียนถามนังกล่าวทีนี้พระเทรซก็กล่าวว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตตั้งมัน่นบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสปราศจากกุปกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแกการงานมั่นคงถึงความไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้ย่อมน้อมยอม่อมโน้มจิตไปเพื่ อ, อยานะทัทสนะคือความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง ความเป็นจริงคราวนี้ตอนฟังเราต้องเรียงลาดับมานะฮะนี้เป็นการท่านพูดเรียงลําดับตั้งแต่การเจริญสมถะกรรมฐานมาคือพอมาถึงกระตุ้นชาติเนี่ยจิตมันมีเฉพาะอุเบกขาเอกักตาอุเบกขานั้นแปลจริงๆก็คือการเพ่งดูแต่ในอุเบกขาในพรหมิหารเนี่ย มันมีบางแต่มีคนที่เราเมตตาเขาแต่ถึงจุดหนึ่งก็ไปฆ่าคนตายอย่างเงี้ยเศาลตัดสินจําคุกเราใช้เมตตก็ไม่ได้ใช้กรุณาก็ไม่ได้ใช้มุทิตาก็ไม่ได้ก็ใช้อเบขานทีนี้ลูกคนหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเดือดร้อนนั่งแก้มากเพราะว่าก็อยู่ด้วยลําบากยากแค้น เราก็พยายามช่วยเหลือขวนขวายแกด้วยการุณาต่อมาแกก็มีฐานะดีมั่งคั่งเจริญมากยิ่งขึ้นเราก็มทุทิตาแกแกแตอนนั้นแกก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นมั่นคงได้แล้ววางใจได้แล้วเสร็จผลคงกุดสดนะครับในกรณีนี้เราจะไม่มีงานครั คือเมตตากรุณามุติตาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใชเ้เราไม่รู้ใช้ไปทำอะไรเพราะเขาไม่มีปัญหาที่จะต้องอาศัยเมตตากรุณามุติตาจากบุคคลหน่งนก็เบี้ขาหรือตอนใจเป็นกลางไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินได้นะมันก็ทำนองใกล้ๆกับลูกคนมีลูก สามทีขวบแล้วแกวิ่งเล่นได้แล้วแล้วก็ปล่อยแกไปคอยจำเลืองแต่อยู่ ห, ห่างมากนักแต่ไม่ต้องไปจกี้จการะไรกับเขาเป็นไวแต่นในกรณีที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายก็รีบวิ่งเข้าไปประคองเมื่อเกิดตั้งหลักได้ก็ปล่อยแกไปอีก หมาความเบกขาไม่จะอยู่ขังทื่อไม่รับรู้อะไรแต่มันเพ่งดูด้วยสติสัมปชัญญะและความพร้อมที่จะใช้ธรรมะข้ออื่นพร้อมจะใช้อย่างในกรณีเนี้ยเด็กมันจะหกลม้มเนี่ก็ใช้กรุณณาปรากฏว่าตลอดเวลาเด็กเล่นสบายไม่อะไรเลยเรากูเบียขาอยู่นั่นแหละ แต่พอผ่านหมดเวลาเราก็มุติตาแก่ๆลูกเราหลานเราจะเริญนขึ้นมาแล้วแข็งแรงขึ้นแล้ววิ่งเล่นได้สบายแล้วนี่ก็คือพอจิตมันเป็นอย่างนี้เราเห็นว่ามันก็สงบอยู่ด้วยเบิกขาหมายความสงบอยู่ด้วยสมาธิกับปัญญาและกนาะของจิตมันเป็นผลของฌาน อย่างที่ประนุนเทราแสดงว่ามีจิตตั้งมัน่นบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสปราศจากโอปกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานมั่นคงถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้จอน้มน้อ ม, อมจิตไปเพื่ อ, อยานัทธสระคือความรู้ความเห็นที่เป็นจริงเธอย่อมรู้ชาติอย่างนี้ว่า กายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาปูตุรูปสี่เกิดแต่มารดาบิดาเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสดในการอบการนวดการแตกกระจายไปเป็นนิดเป็นธรรมดาและวิญญาณของเราอาศัยผูกพันอยู่ในกายนี้เหมือนแก้วมณีและเก้าไพฑูนานงดงามเกิดเองมีแปดเหลี่ยมจ้างเจรนายดีแล้วสุกใสแหวววาวสมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง มีได้เขียวได้เหลืองได้แดงได้ขาวหรือได้สีนวลร้อยอยู่ในที่นั้นบุรุษผู้มีตาหยิบแก้วมณีแก้วไปถูดนั้นวางไว้ในมือแล้วก็พิจารณาเห็นว่าแก้วมณีและแก้วไปถูนี้งามเกิดเองมีแปดเหลี่ยมนายช่างเกยฑ์นายดีแล้วสุขใสแวววาวบริบูรณ์ด้วยอาการทุกจางมีได้สีต่างๆ อยู่ในนั้นชั้นใดพิกษูก็ฉันนั้นเมื่อจิตตั้งมั่งบวยสุดธผุดพองไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การน้อมไปในการงานมีความมั่นคงถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้ด้อมน้อมโน้มไปเพื่อยาทัศสนะ เธอยอมรู้เห็นอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แหลประกอบด้วยนิยาต่างๆดังกล่าวนี้ก็หมายความว่าก็มองเห็นร่างกายซึ่งตามปกติแล้วก็จิตจิตก็ยึดถือเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่แต่เราพอมองเห็นชัดเจนขึ้นก็จะเห็นเข้าไปในเส้นทางของไตรลักษ เห็นร่างกายตกอยู่ในกระแสของไตรลักษณ์คือเป็นของไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปช่วงยาวที่สุดนี่คือคือเกิดแก่ตายแต่มันเกิดแก่ตายในขณะนี่มันมันมันเยอะมากๆแต่เกิดแก่ตายที่เราพูดกันที่จริงมันก็มีสามช่วงแต่นั่นเอง แต่ที่จริงแต่และช่วงเนี่มันมีเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเกิดแก่จะตายอยู่เนี่ยตลอดมัก็จริงมันไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะการดำรงอยู่ชั่วคราวท่านเองมันก็จบอยู่ที่แตกสลายแล้วก็ขัดแย้งกับสิ่งที่มีการพูดว่าเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผัน มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะตลอดเวลาแต่ความรู้สึกว่าเป็นเป็นของเราเนี่ยเอาข้อจริงอะไรล่ะเป็นของเราตัวเรานี่หรือเป็นของเราหรือว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นของเราเรือบ้านเป็นของเรารถเป็นของเราอะไรก็แล้วแต่จะนับนะจะนับกันยุ่งไปหมดเลยบางทีของเราบางทีก็ลืมไปแล้วมันเยอะเหลือเกิน แต่เอาข้อจริงมันไม่มีจริงมันไม่มีอยู่อย่างแท้จริงมีอยู่อย่างสมมุติบัญญัติแล้วก็อุปท า, านคือยึดมัน่นก็เรียกว่าตันหาอุปท า, านอยากได้จนยึดอยากแล้วก็ยึดยึด่าเป็นของเราออาแล้วเราเป็นอะไรจริงโยงเป็นอะไรไม่จริง ยังข่าวเรามองพวกพระด้วยกันกับพระเิราเราก็รู้จักคุ้นเคยกันทั้งก็ประตายไปโดยดําดับตั้งแต่สังกราชลงมานะคือเราก็บวชมานานแล้วก็มีสังกราชสิ้นไปที่ได้มีส่วนในการถวายพระเพลิงเนี่ยก็คือสมเด็จพระสังราชเจ้ารวมมาหลวงวิทยาณวงศ แต่จากนั้นก็มีส่วนทุกพระองค์นั่นแหละเราก็เห็นว่าท่านมาจากรูปเวทนาตัญญาทั้งขานวิญ ญ, ญาณเ้วก็เกิดตุบปรุงปรุงปรุงปรุงปรุ ง, ป ร, ง, ป, รงปรุงุไปถึงจุดหนึ่งก็ถึงเป็นสังกาัาน์พอถึงจุดหนึ่งสังกาัา น, น์สิ้นไปชนพอถึงจุดหนึ่งก็เผาถวายพระปริน ก็เหลือแต่กระดูกเกิดแต่ขี้เท้าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ในสภาพอย่างนั้นรางทั้งหลายก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นบางกราวพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเรานั้นเมื่อมีจิตตั้งมัน่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ เป็นลักษณะของจิตถามจิตแล้วก็จิตตอบจิตมันก็เกิดปัญญาพโพรงขึ้นแล้วก็ให้คำตอบที่ต้นเรียงเป็นรูปอภิญญาหกบ้างเรียงเป็นวิชาแปดบ้างเรียนเป็นวิชาสามบ้างก็แล้วแต่นั้นแสดงเหตุว่าปัญญามันผุดขึ้น แล้วก็จิตบริสุทธิ์ขึ้นพอปัญญาปรากฏในแค่แคกระแสสว่างปรากฏในความมืดมันก็ดับไปความรู้เห็นสิ่งที่อยู่ในที่มืดก็ชัดเจนเข้าใจสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงจากนั้นท่านก็ตั้งคำถามแล้วก็รู้คำถามแล้วก็ตอบตๆ ต, ตไปจนเรียงเป็นลำดับ แต่ที่จริงมันก็เห็นใจรักก่อนเห็นเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเพื่อจะสลายความรู้สึกว่าของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ของเราเป็นความรู้สึกอยากอยากได้เป็นเรานั้นรู้สึกอยากใหญ่เป็นตัวตนของเรานั้นแสดงว่าใจมันคับแคบ คือไม่คิดได้รอบเกาะตัวตนของเรามันมีที่ไหนแล้วมันเป็นการกอบกลุ่มขึ้นมาท่านนั้นเองประเดี้ก็แตกดับมันเมื่คือโลงศพพูด ถ, ถึงจริงๆหรือเมื่อก็โลงศพโลงศพที่แตง่งซะ้รูเลยประดับประดาที่ราคามากมายกัายกอง ไปดูข้างในมีติสกเพราะร่างกายของเราจริงๆมันมีหนังหุ้มอยู่พอเข้ามามันก็เละเทะหาสาระแกนสารอะไรไม่ได้เพราะรกายที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าสิ่งนั้นน่ยมันเกิดขึ้นมันมันเกิดขึ้ น, น, น, ด, นดำรงอยู่แตกสายไปเพราะเหตุปจัจจัย แล้วก็เป็นการดำรงอยู่ได้เพียงช่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งเพียงแต่มันต่อกันได้เท่านั้นเองต่อกันนานหรือน้อยก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันก็ต่ อ, ต, อต่อกันไปมีการแผดเผาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอีกอันเดียกันนั้งร่างกายเราก็ร้รอนด้วยการเสียดแทง ของความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุดจาราบปวดปัสสาวะง่วงนอนแก่เจ็บตายถูกเสียดแทงทุกวันวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเรานั่งดูที่กายครับดูที่เวทนาดูที่อะไรก็ตามที่ร่างกายเราเนี่ยโอ้เวลาพวกนี้มันกินไปเยอะเลยกินไปท่ากลางความแก่ของเรานะมันก็กินเราไปด้วย อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าการเวลาย่องกินสับ ป, ปะสัตย์พร้อมด้วยตัวของมันเองมันก็เกิดดับไปเรื่อยๆการเวลาเราก็เกิดดับไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเราก็ดับไปจากโลกนี้มีเงื่อนไขปัจจัยอะไรให้เกิดดีก็เกิดไม่มีเงื่อนไขไม่มีปัจจัยมันก็ไม่เกิดแต่ว่าการถึงระดับนั้นมันก็ไม่ใช่เราแล้ว มันเป็นพระอาหารหันไปแล้วเ่อนวกนี้เริ่มปัญญาปัญญาขันอันประเสริฐมันเป็นผ่านสมาชิไปถึงจตุทชาญแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนามีขันห้าเป็นอารมณ์หรือมีอะไรเป็นอารมณ์ก็เยอะนะวิปัสสน า, ารมณ์ก็เยอะอารมณ์ก็หกลุ่มใหญ่ๆ ขันห้ายตนะส2บสองธาตุสิบแปดอินสียิบสองเรียสัตสีปฏิจจสมุปาตแต่อย่างนั้นก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาด้วยกันหมายความว่าใครมีบา ร, รมีสะสมมาทางไหนก็ เ, เห็นด้วยใจของเขาเองแล้วเขาก็จเจริญวิปัสสนาไปได้เองทีนี้ปัญญาขันนั้นประเสริฐ มันยังมีอีกเป็นอันมากที่ลําดับขั้นตอนเนี่ยมันมันเป็นอย่างเดียวกันคือหมายความว่าเ่านั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อเรื่อรู้นี่นะคืออย่าลืมมาอาศัยตัวสมาธินี่มันสร้างปัญญาสมาธิสร้างปัญญาสมาธิสร้างปัญญาสมาธิสร้างปัญญ า, า, า, ปญญาไปเรื่อย que. จนถึงกปัญญานี่สมบูรณ์อวิชาก็ดับไปอย่างสิ้นเชิงจากนั้นโลกัศน์ของท่านก็จะมองชาวโลกด้วยความกรุณาที่ได้แง่ของความไม่จริงแล้วแล้วทุกเหล่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับก็เกิดกรุณาสงสารต่อคนเหล่านั้นซึ่ง ก็เป็นประสบการณ์ตรงส่วนตัวของท่านผู้บรรลุด้วยว่ราท่านเองก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วไม่ต้องการจะเห็นคนอื่นเป็นอย่างนั้นอีกทั้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี